โวยข่อยโอโธ่โธ่โธ่อย่าเด้อเฒ่าเด้อข่อยนี่มันบ่แม่นลูกเขยเด้อ ค่อยว่าให้เจ้านั่นใจเย็นๆไว้เจ้าอย่าซะไปฮ้อนหลายค่อย ข่อยมั่นใจเย็นบ่ได้ใจเย็นบ่ได้เจ้าลองออกหัวว่านั่นน่ะข่อยยังบอกว่าเจ้าอย่าไปฮ้อนเรื่องซ่ำนี้เจ้าอย่าไปคิดยากพ่อแม่เฒ่าเอ้ยให้ใจเย็นๆไว้ข่อยสิเป็นผู้จัดการ ท่านเจ้าเว้าจังซั่นไผก็สิตาแล้วแต่เจ้าเด้อเฒ่าเด้อเอ้าคั่นเมื่อ 2 ภริยาสามีได้ปรึกษากันเทิ้นนั้นแล้วก็ ในสมมุติสุวรรณนางประดับด้วยแก้วเครื่องเพชรประดับงามมาเฝ้าธรรมสามีอยู่อือกาล รอกลวยล่วงสิ่งทั้งปวงบ่คงเตียงเียงปักตูลเพิ่นเกินลมนาการเหียนดงนับบาน S'u k'hi vi t'an n'an, t'an n'an, quen j'o gặp quam, T'ai b'o v'a nhíng n'ok lửa chai, k'a d'ang deo d'o'y l'ang. S'a t'un n'am, b'o v'i i p'o n'an, n'i k'ray ja quam, Yag m'yag m'a k'i l'e t'em, M'e t'e i n'ay to'n ni hem. A'o ben vi pu ro thac tho ang ka bo ngyang khan ho pang đan thu lắng khan bü k bü n ba tün kam Nàp de nàu 아아aus t' рядом pot nang nan koi nan mi maak ka nan ta na khi wet dok thao ma nai kha ngern tang lai lot ความฟินจูนของเฮานั่นบ่มีวัน เคล้าของโจนบ่ <fum> Deixin-bun-dok-crang-văn-chang-meñ-mang-san-uk-the-m Ha-suk-de-dok-de-n-t-e-n-t-e-n-si-ma-pun-dok-bàn-preeb de mán hón dok prà sà t chín phà t mán ออนอโอ้ยอำนาเดี๋ยวนี้ มองเป็นของประดับปร่างขันสาวดังที่สอมใสถาเขาเองแต่นสนุกชัยยังมาหัน ภัยเอาเงินคั่นไปแสนสิสุขใจ เอาให้รังเป็นหัวหน้าชาวประชาต้อง S'anuc-su-tan-s'van-thong, ka bo-fiang suan-thot-than-ayya-meu-ng, jo'nay-chap-dok-bore-yap-van-thon-kuk-tarang. Deo ni god-nok-nam-rang-khan-mei-a-ming, ปรารับติดมิดละ พลเอาญาติตอกแล้ว Việc hà nà ngứa đọc bằng ổn, Dèng phiền phói khá leo sè từ trăm đèm. Thuật nháy loàng anh đọc đêm hòa Quang-tong-pant-leu-ng-hay-mos-tú-m-kha-lom-hi-khan-tim-tua-si-yak-chang-khan-hi-wa-hàm. se na m moy thang tua kho n pay si pya madam, cap execution, สีจันทร์ของไปเส้นไหว้ปนากันหลอกทุกอย่างให้นางเต็งครึ่งตินไหว้ไม้อ้ายผู้สุนแนวนำพี่สิพาน้องแก้วไปกันแค่ 2 คนไปผู้ก็ที่ถึงโจนอกป่ากัน ตวาสำณีคั่นผู้หญิงปัญญาโมบ่เพท งอแล้วพักนั่งตกเขากระตุ้นกระลงทางใต้ ไปเบ้าดอกเรื่องหลายบ่มีทอดกันทั้งทองต้องจัดการดอกตามแผนขยายเนื้อนานจานว่าแล้วห้าวผ้าเพิ่นเทว่ามาตมมานอนซานตบดอกแน่นิ่งกันต้น camboi kin laeo la nang sat ไผ่สาธุเด้อภูคาวางแผนที่สิฆ่าเมียภูคานี่จะสิ ผีหัวกะเอ้ยพี่เป็นหยังบ่แต่งมวนอาหารโอ้ยบ่มี เรื่องขาคออยู่จนกลางจังกลางของอ้ายก็หากมีโทรคุณทนมีเรื่องขาคออยู่ว่าในใจอยู่ โอ้คุณพี่มันคือว่าแจ้งสรรค์ที่กูหัวกะเอ้ยเรื่องที่อกคาใจพ่อคุณทนเจี๋ย ว่าแต่ผัวเอ้ยจ๋าเอ้ยต้านบอกเมียแม่นเรื่องมันสิยากจักปานได๋คุณทนบอกว่าเลยบ่ต้องเกรงเก๋ดอกเฮาผัวเมียกันตัวอ้ายบอกโลดปฏิวาบอกมาโลด พี่นั่นบนบานไหว้วายจังซี่ถ้ากูข้า flipped from a Treasure or from you should be showing sign past or จักเป็นมัดเป็น แล้วก็แต่งเครื่องประดับประดาเครื่องเอะเอะราคาแพงที่สุดไปนําเด้อคุณทนโอ้ต้องแต่งเครื่อง ก็เรียบตะเตยํๆนานาพร้อมด้วยเครื่องประดับกายาอย่างมากมาย <t ip concentrate> โอ้รักล้านที่ดําเนินเรื่องบ่เบี่ยงบังนึงน่ะเปิดบางตัวอีกนึงมั่งยังอยู่อีกทั้งหลายปอนน่ะติดตามหูคันสาทอกันเรื่องราววง esatan Middle solamente el keals, Khương tít kà menn Furt-bà-bà-khàu, m'è khăn-kin-pèc-dò-kin-càn, m'è thí khai dò k non nam ka sa kham ka nuïng es <tries> ja bo lai meo nam เอ้ยคารมเฮาโพดปาแน่น บอกว่าบ่าวหนังจิงพองพ่อกะเวบ้านแจ้งข้อกะลงเสื้อนิทานเฮาจำ เอ้าครูบ่มีสอนซ่ำโรง คือว่าเป็นดอกกุเล่นั่นไผมันได้นอก tàn lần tient lò, rửa หาโอเนี่ยเสียงดอกกวาเนี่ยคือ จนอุกะได้สั่งให้ปริยาของตนได้ตระเตรียมสิ่งของเสร็จสรรเรียบร้อยดังนั้นแล้วขุนจนอุกะก็ได้พาสีปริยาตลอดจนบริวารชนมุ่งหน้าไป ก็ได้พานางกุลเอ่อกุลทนเจสีผู้เป็นศีภริยาไปถึงที่หมายแล้วก็ <K un> เดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าเขาล่อเจ้าของมาฆ่าซั่นตินางหน้าโง่เอ้ามันคือว่าจังซั่นคุณพี่เอ้ยติเป็นหยังมาว่าจังซั่นคั่นพี่ฆ่าน้องแล้ว สิขายไปซื้อสร้างต้นน้องก็บ่ขีนสิ พี่งสันั้งมันบลินให้บอินีเนือยจะหายอกกเนี่ยทูที่ตัวแดนไหล่ทคุณพีบแบนชื่อว่ากูหูกะที่แปลว่าโกหกคนกับโกหกก็ตัเสเรียงอื่นเต้วเรื่องนี่นี่บถตตัววเด็ดข่าซมันเจึ้งไดก็ขายังแน่นอนฝ้าถอดเครืองประดับออกว่าไว้ไว้ฉันมันตายให้มันตายถึงเตคนช่วนเครืืองประดับนี่ให้มันยั่งอยู่เทียมตัวตายโหลดคุณทน ตอนนี้กัลยาแก่นะฟังสำเนาของผัวกล่าวนาวทางในเจ้า ผู้วาทีชีวิตนี้สื่อผู้กัลปนาดลสาละวนดอก ไหลลงน้องจางฝนหวับบ่ คำต้นแสง จังกะเสียงกับความตายชายคือจะไป คั่นบ่สั่นแล้วอ้ายสิยังอยู่เหล่ อีนางอึโอ้ยโอ้ยแม่งบัดนี้ล่ะดวงแกนางแลเลือด ตั้งตาลบอต้นหมดที่กอด พี่นางเอ้ยบ่อนสิทั้งกะสั่งบ่ hoa pem man nan dok na ye nang ung o o ing o อยากอยู่กินกับเครื่องประดับเพี้ยว พอแต่เพียงวายยะค่าอุ่นกะเป็นพอสิขี้ขอเอาขอสับกันดังคือความต่างนาสิแกนางคือมาเหียนเอาต่อทำ เชิญพี่ต้องอีกครั้งอีหยังแน่จักคิ้วน พี่บ่าเอาน้ำอย่าใส่กำใส่เว้นกันต่อกัลเป็นยะยะละเชิญหลีเมี้ยเจ้าไปท่อลไปเนาวนอลฟูราทิ้นโอ้ยเกิ่งประดับทุกสิน น้องขอเลียจะเพียงหน้าเอาชีวันของน้องโอ้ยอย่าหวังตั้งเต้าแต่ความอยากดีและอยาก ja khá nắng người mòi minh yeah. kiếm. Fia nắng ơi! Tuộc sinh giang nòn bầu kiên, Vầy chí miết nòn thử ai sống xa lạm. Thòa phiê ớt เอ๊ะเอ็งน้อพี่เอ้ยพี่จะเว้าจังซั่นต่อคุณพี่จะฆ่าตายไงไว้คั่น นี่แต่ตายกับตายอย่างเดียวเรื่องหยังสิไปง้ออย่าบ่บ่ต้องเว้าโอ้ยคุณพี่เอ้ยคั่นบ่รู้ตน อยากหรือหยังเก่าเลยน้องขอเพียงชีวิต โอ้มี้ท่างถือวัยปากบักจนได้ว่าแล้วสิไม่ มากก็fern เตรียมตัวไปเอาจังซี่ซะคุณพี่เอ้ย ก่อนนี้ฉันจะต้องตายอย่างแน่นอน Grà-yà-lòi, จำลุลงนอกจากบ้านตกลงสู่คันแดนดินร่างกายยาก็ทบอิน โอ้ปัญหาในโทรมานก่อนหมดมอดคิดทอดเรื่องอดีตกว้างที่เก่าครั่งหลอกพัน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 алям比 PK. but เสียงลูกขา เอ้ยตามเรื่องนึงน่ะประกาศป่าวรอบก้าวเพียงเอ้ยชาลูกได้รับรุ่นเหย้าอย่างนอกอย่าง <tries> <tries> ขานิธิตโลกไข่ชำและทางกอรกมองสิสังกราชียกาธุนในก็กวันคุ้งพอก โตแล้วล่ะทีบ้านที่สับ Trang nang thiên, nang thôn, Ava kia tín de sang, te khau khẳng năn, hau tửc sang lũng prành. Khan bò mì trung, <tries> khan bò kva tai, te khau tành năn. Sàu ngân lưng phan, tâm lưng toàn, sàu pralang, Dei nhò Fon si gom gàp fai, sumarang, khan hui, Xob, khó, prà khun, Thí nong, hau ngân, s'si kiwit maang. Wà lew, hai dọc khảm yoi, Nàm tà lăng, dọc rai trùm, Wà sà เอิงคุณทุนเอ้ยผู้ป่าหลั่งพ่อเอาสาธุ <jou le> <disks> กันแห่งรายสิ่งที่ชายสะสม a l'quam t'l'obb-dok-mà-k'l'y ดอกวิ่งฟ้าเจริญดอกลาตา Aú, tàng, và khơi, chè nà, pua khơi, pèn lọc quà Úl, chà con, đứa, mè, cúm, -cú, cú, cà độc, sư niềm, pa nắng, no, niềm, chôn, ได้รำพันชิ้นนั้นแล้วก็ได้สินใจตายอยู่ในหิวเห็นขาวทิ้งโจรก็มีนักกาละข้างละบัดนี้ตอนนี้จากก้าวกามเจ้าของลื้องข้างข้าตอบแม่เอ้ย ย้อนกุศลอันใดนั้นสุดบันใหญ่ แข่ขาลมณมุ่นหม้อมจอมจูนได้ลงเสีย ย้อนสามเจ้าเป็นเสียงอูปราศสังหารธาตุธาตุ ทําเก่มจิตเห็นข้าวอาดีทธานเข้านั้นสัวเรื่นบ้านที่ทําให้พ่อแม่เครื่อง โอ้ย! พองว่าสังฮิตเรื่องไง Ankur el propietà Sori 1, 10. โอ้ยหิวหยังบ่เทียมเต้าหิวลักเหงาติ เก็บเก็บเสียชีวิตเอ้ย ตางบ่มีเป้าวังโศกน่ะดูดังแผ่นเจ็บแง้งสุงกองบ่มีตาดอก หัวแก้วบอกอักเมียนควรว่าธรรมศาเซียโจนโหดพอมิสัตว์ปัดแต่เป็นคนมาปึงสี่เจอเดียวเนี่ยจริงนี้เรียกคือคำตาลเนธาจารเอ้ยปึ้นบอกสังหวังปึง หลังจากคุณจักบาดวงบาดวงเห็น น้อนลูกหลินคำจ่าเอาเงินตาทั้ง ท่านติดใจห่างเหินจากพ่อแม่ นั่งคุณต้นเจ๋สิเป็นปราชญ์จิตกา อาขารสาบุกยังกระสัมมาเจ้าได้กิลชาทร้ำเจ้าหลายหลายวันจนแพรภายในที่สุดนะคุณธุณเจสิปราชินิมนะกะเลออีกบวดเขานะอีกเพื่อนสาสนา อาวรคุณโยมเจ้าสัตตาเฮาสู่สู่ซ้ําเรื่องคุณโทนเกสีภิกขุนี่ก็จบเพียงซํานี้เวลาน้อยสิค่อยเซานะขอฝากพวกหมู่เจ้าผู้ฟังเรื่องคําก่อนถึงบทต่อหน้าว่าซันในบ้านนี้มีหายสาธุจนทั้งค่ายนั่นฟังกันทั่วทีให้พบความสวัสดิ์ดีเด้อพวกญาติ ด้วยกุศลที่ทําไว้เป็นปัจจัยสู่สวยขอให้ o, O, I, M'eong-sara-kram, M'eong-wa-fi, K'anji-o-i-han, Te-pe-iang-neem, Súc-savad-ti, Duh-i-papol, Thay-dok-thang-si, K'yo-yo-wan-na, Sukha-phara-jong-ke-t, M'e-ke-b-u-pa-ng, โอ้โอ้โอ้อีโอ้เอ็งน้อมท่านสาธุ จนมีปัญญากล้ากันจนได้ไป จงเกิดมีเตญาติ